บทที่หธรรมชาติของมนุษย์ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเป็นอย่างไรเกิดมาพร้อมด้วยความโน้มเอียงในทางดีหรือทางชั่วหรือกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วจะดีหรือชั่วเพราะสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูในภายหลังมนุษย์ว่าโดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ผู้อื่นหรือว่าทั้งสองอย่าง หรือว่าเป็นกลางกลางเขาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่การอบรมเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมในภายหลังปัญหานี้มีผู้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันเป็นสามทัศนะ 1. สามทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ทัศนะที่หนึ่งเห็นว่ามนุษย์นี้ว่าโดยธรรมชาติแล้วเป็นคนชั่ว หรืออยากจะชั่วโดยธรรมชาติที่เข้าดีขึ้นมาก็เพราะว่าได้รับการขัดเกลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังแต่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมนุษย์ก็จะโน้มเอียงไปในทางที่ชั่วทัศนนี้เห็นว่าโดยสันดานเดิมแล้วมนุษย์ชั่วมาแต่กำเนิดแต่มาดีเพราะการศึกษาการฝึกฝนอบรมขัดเกลว ถ้าโดยธรรมชาติของเขาเองเขาจะมีความโน้มเอียงในทางชั่วทุจริตเห็นแก่ตัวริษยาเป็นอาญยกรชอบทะเลาะวิวาทชอบสงครามตำราทางจริยศาสตร์จะให้เหตุผลว่าทัศนะอย่างนี้มีแหล่งเกิดหรือที่มาสามแหล่งคือ 1. เทววิทยาของคริสเตียนหรือหลักของคริสเตียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคำสอนของเซนต์ออกัสตินที่ยืนยันว่าคนชั่วไม่สามารถดีได้ด้วยความพยายามของตนเองดูเหมือนทางศาสนาคริสต์จะมีทัศนะว่ามนุษย์มีบาปมาแต่กำเนิดนักปราชผููรู้ศาสดาก็มาช่วยกันปลดเปลื้องบาปของมนุษย์เพราะเหตุที่มนุษย์มีบาปมาแต่กำเนิดชั่วมาโดยกำเนิด สเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเห็นว่ามนุษย์จะทำกิจต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตนนักเศรษฐกิจมักเห็นแต่ประโยชน์ของตนเห็นแก่ตัวทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นการแสดงว่าถ้าไม่ได้รับการขัดเกลวไม่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษแล้ว มนุษย์จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวมมองในแง่ของชีววิทยาว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งสัตว์โลกโดยทั่วไปดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนข้อนี้เป็นไปโดยสัญชาตญาณมนุษย์ก็มีสัญชาตญาณเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเห็นแก่ตัว จึงเป็นความโน้มเอียงโดยธรรมชาติของสัตว์โลกทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ทัศนะที่สองเห็นว่าโดยสันดานเดิมแล้วมนุษย์เป็นคนดีมีเหตุผลว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นคนดีโดยสันดานมีนักปราชญ์ทางตะวันตกเช่นรุสโซ ซึ่งเป็นคนสําคัญคนหนึ่งที่มีความเห็นเช่นนี้เห็นว่ามนุษย์นี้ดีโดยกำเนิดโดยสันดานมนุษย์เป็นคนดีสิ่งแวดล้อมทำให้คนเสียไปเพราะฉะนั้นขอให้เรากลับไปหาธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็จะดีเองท่านพูดนี้มีความเห็นอย่างนี้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นนักปราทางตะวันออกเช่นขงจื๊อ มีความเห็นและยืนยันว่าโดยกำเนิดแล้วมนุษย์เป็นคนดีแต่นิสัยของคนแตกต่างกันมากในภายหลังเพราะเหตุอื่นนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งคือเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ก็สนับสนุนทัศนะของรุสโซและขงจือ้อท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมากในทฤษฎีวิวัฒนาการหลักสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต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 การศึกษาสมัยใหม่ทางจิตวิทยาและชีววิทยาได้รายงานว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ชั้นต่ำในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับลักษณะยืดหยุน่น (flexible nature) มีความโน้มเอียงในการปรับตัวมาตั้งแต่เกิดความสามารถในการเรียนรู้เป็นลักษณะสำคัญของมนุษย์พอเกิดมา การสร้างลักษณะนิสัยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเราบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้อะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้การสร้างลักษณะนิสัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เด็กเล็กๆพูดด้วยภาษาจิตวิทยาว่าแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่กระทำโดยนิสัย (habitual action) อะไรเป็นสิ่งที่กระทำโดยสัญชาตญาณ instinctive action ยังมีข้อปลีกย่อยอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทีนี้ถ้าท่านถามว่าทั้งสามอย่างนี้ถ้าเผื่อจะพิจารณาในแง่ของพุทธจะมีทัศนะอย่างไรถ้าจะว่าใกล้เคียงในลักษณะของพุทธก็จะใกล้เคียงประเด็นที่สามแต่ไม่เหมือนเสียทีเดียว ที่ว่าไม่เหมือนนั้นไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่ทัศนะที่สาบอกว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีไม่ชั่วแต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะดีชั่วเท่าๆกันพุทธศาสนาเห็นว่าตามธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งดีและชั่วติดมาแต่ชาติก่อนเพราะว่าพุทธศาสนามรับเรื่องชาติก่อนเรื่องการเวียนว่ายไต่เกิด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 2. อปมชีวิตของมนุษย์เพราะเหตุที่มนุษย์มีทั้งดีและชั่วมาแต่กำเนิดและสลับซับซ้อนทับถมกันมาเป็นเวลายาวนานในสังสารวัตรมนุษย์จึงมีปมชีวิตปมในชีวิตมนุษย์นั้นมีความสลับซับซ้อนและยุ่งเหยิงมากมนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นตัวตนของเขาจริงๆนั้นอยู่ลึกและยากที่จะเข้าใจ แม้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันซิกมันฟรอยนักจิตวิเคราะห์ชาวเยอรมันเห็นว่ามนุษย์มีความรู้สึกขัดแย้งในตนเองอยู่เสมอเพราะอิทเขาหมายถึงสัญชาตญาณดิบซึ่งมีราคะโลภะหรือโทสะเป็นมูลอยู่สาวลงไปอีกดก็จะพบโมหะคือความหลงไม่รู้จริงแฝงเร้นอยู่ กล่าวรวมสิ่งที่ฟรอยเรียกว่าอิดนั้นก็คืออากุศลและเจตสิกในพุทธศาสนานั่นเองตัวที่สองคืออ e ีโคได้แก่ความรู้สึกว่าตัวฉันตัวเราคืออาหารการหรือความรู้สึกของจิตที่ยังมีอาหางการอยู่ยังมีอัสมิมานะอยู่นั่นเองทั้งอิดและอีโค คอยกระตุ้นเราให้คนอยากทำอะไรตามใจปราถนาเพื่อสนองความอยากความต้องการทุกอย่างถ้ามีเพียงเท่านั้นสังคมมนุษย์ก็คงพังพินาศไปนานแล้วไม่ย่่งยืนมาถึงฟรอยหรือมาถึงพวกเราเวลานี้นอกจากนี้มนุษย์ยังมีจริยธรรมมีกุศลละเจตสิกที่ฟรอยเรียกว่าซูเปอร์อีโก คอยยับยั้งเอาไว้ไม่ให้กระทำตามใจอยากเสียทุกอย่างซูเปอร์อีโก้นี้มาจากไหนก็มาจากการสั่งสอนอบรมขนบประเพณีการกลัวโทษฐานเมื่อทำผิดสังคมได้สร้างกรอบของสังคมขึ้นไว้และยกย่องนิยมชมเชยผู้ทำดีสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดรับช่วงกันมาหลายชั่วอายุคนของแต่ละกลุ่มชน เมื่ออิดกับซูเปอร์อีโกมาเผชิญหน้ากันอีโก้จะต้องทำหน้าที่ตัดสินว่าจะเอาอย่างไรดีความรู้สึกขัดแย้งภายในตน self conflict จะเกิดขึ้นตรงนี้ทำให้มนุษย์ยุ่งยากใจในการตัดสินใจทำแม้ซูเปอร์อีโกจะชนะในบางคราวแต่ก็ไม่ได้ชนะอย่างเด็ดขาดอิดไม่ได้ตายไป มันเพียงแต่ถูกกดข่มไว้เท่านั้นเมื่อใดจะเรียธรรมหรือซูเปอร์อีโก้อ่อนแอลงเมื่อนั้นอิจจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาอีกและอาจจะแผลงฤทธิ์ได้มากกว่าเดิมเพราะกดดันเอาไว้มากมันจะระเบิดออกมาในสังคมที่มนุษย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีเข้มงวดกวดขัน มนุษย์ต้องอยู่ในกรอบทั้งๆ ท, ท, ที่ใจไม่สมัครนั้นดูอาการภายนอกเหมือนว่าเรียบร้อยดีเพราะอิฐถูกกดข่มไว้ด้วยประเพณีแต่ภายในใจของเขาจะรุ่มร้อนวุ่นวายสับสนอิฐหนาระอาใจไม่เหมือนผู้ที่อยู่อย่างสมัครใจและเห็นคุณค่าพระอริยเจ้าผู้บาออกมาจากภายในกับบุตุชนซึ่งยังหนาด้วยกิเลส แต่แท่งทำให้เหมือนพระอริยเจ้าเพื่อประโยชน์บางอย่างนั้นแม้อาการภายนอกจะดูคล้ายกันแต่ภายในต่างกันมากเหมือนผลไม้ที่สีเหมือนกันแต่สุกไม่เหมือนกันผลหนึ่งสุกคาต้นอีกผลหนึ่งยังอ่อนแต่รีบเก็บมาบ่มให้ผิวเหมือนที่จริงมันเน่าในพระอระหันต์มีแต่ซุเปอร์อีโก้ไม่มีอิจ จิตของท่านจึงไม่มีความขัดแย้งไม่มีปมชีวิตของท่านจึงสงบสุขร่มเย็นสดชื่นอยู่ภายในเสมอท่านเป็นผู้ทําลายปมได้หมดแล้วทั้งปมด้อยและปมเขื่องจึงเป็นผู้ไม่มีปม 3. ความสุขสามระดับ 1. ระดับกามสุขคือความสุขระดับกามได้แก่ ความสุขที่สแสวงหาได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากามคุณห้าผู้สแสวงหาความสุขระดับนี้ต้องสแสวงหาโดยการไม่เบียดเบียนกันจึงจะมีความสุขท้่วนหน้าดังพระพุทธอุทานที่ว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกอัปยาปัจชังสุขขังโลเก ปานภูเตสุสัญญโมจากพระไตรปิฎกเล่มที่25บหหน้า86ข้อห1บอุดอุทานแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ต้องไม่บังคับให้ฝ่ายหนึ่งทำในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะทำเพื่อสนองความใคร่ความต้องการของตนไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นถ้าทำลงไปถือว่าเป็นการหาความสุข บนความทุกข์ของผู้อื่นทําให้ละคนด้วยเวรไม่เป็นความสุขที่แท้จริงดังพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนด้วยการนําทุกข์เข้าไปให้ผู้อื่นผู้นั้นทําตนให้ละคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรประดุขูประาเนนะโยอัตโนสุขมิจฉติ เวรสังสักขะสังสัตถเวราโสนะปริมุจจติคำว่าเวรพจนานุกรมให้ความหมายว่าความพยาบาทความปองร้ายบาปการแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าทำหน้าที่ตามบาระของตนเช่นเข้าเวรเป็นต้น ในที่นี้หมายเอาเวนตามความหมายแรกคือบาปและความปองร้ายคนดีควรจะสร้างความรู้สึกให้เป็นนิสัยว่าไม่เป็นความสุขของเราถ้าไม่เป็นความสุขของผู้อื่นด้วยความสุขที่เราหมั่นให้แก่ผู้อื่นนั้นมันจะย้อนกลับมาหาเราเองความทุกข์ก็เช่นเดียวกันธรรมบทฉบับอังกฤษแปลคำว่าเวนเป็น เอนิบ้างเรบ้างซึ่งหมายถึงความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกเป็นศัตรูนั่นเองเมื่อมีความรู้สึกเกลียดชังและรู้สึกเป็นศัตรูต่อกันเวลานุเวนก็เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันไปเป็นการนำทุกข์เข้าไปให้กันและทำลายความสุขของกันและกันอันที่จริงความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลาย พวกเขาจึงดิ้นรนแสวงหาความสุขแม้เพียงรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขพวกเขาก็พยายามดิ้นรนแสวงหาปัจจัยนั้นเช่นเงินเกียรติยศชื่อเสียงความรักและคนรักเป็นต้นแต่ความสุขอันชอบธรรมนั้นควรจะอยู่บนรากฐานของความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นความสุขบริสุทธิ์ ไม่ละคนด้วยเวรถ้าละคนด้วยเวรก็เป็นการทำลายกัน 2. ระดับฌานสุขมีอยู่8ดชั้นตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึง8ผู้ต้องการฌานสุขต้องเว้นกามสุขแล้วบำเพ็ญสมาธิภาวนาหรือสมถาภาวนาซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่สคือจริยศาสตร์ระดับสูง ระดับชาณสุขนี้ได้ในพระพุทธอุทานที่ว่าความปราศจากราคะคือก้าวล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกสุขาวิราคตาโลกเกกามานังสมติกโมจากพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า86ข้อ51ปุทานราคะทั้งสามระดับ คือกามราคะกำหนัดในกามคุณรูปปราคะกำหนัดพอใจในรูปประชานติดใจในความสุขจากรูปประชานนั้นอรูปปราคะกำหนัดพอใจในอรูปประชานติดใจในความสุขจากอารูปปัจานนั้นในที่บางแห่งแสดงวิราคตาความปราศจากราคะเป็นไวยพธของนิพพานก็มีเช่น ในอักขภาษทสูรเป็นต้นข้อความว่าธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขตตะคือมีปัจจัยปรุงและสังขตตะไม่มีปัจจัยปรุงวิราคะประเสริฐที่สุดความสุขในฌานนี้ดีกว่าประนีตกว่าการมาสุขแต่คนส่วนมากยังติดอยู่ในกามาสุขก็เพราะไม่ได้สุขที่ดีกว่านั้นสนิพพานสุข คือสุขจากการละกิเลสได้เป็นขั้นเป็นตอนไปตั้งแต่สุขของพระโสดาบันไปจนถึงสุขของพระอระหันต์รวมเป็นสี่ระดับด้วยกันจัดตามกิเลสที่ละได้โดยถือเอาสังโยชน์เป็นบรรทัดฐานเพียงแค่พระโสดาบันก็มีความสุขมากกว่าปุถุชนและกัลยาณนปุถุชนมากแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงสุขของพระอริยบุคคลที่สูงขึ้นไปเมื่อเทียบกับบุตุชนทั่วไปแล้วพระโสดาบันมีทุกน้อยเมื่อทุกน้อยก็สุขมากเพระพรพุทธองค์ทรงเปรียบไว้ว่าถ้าเปรียบความทุกข์ของบุตุชนทั่วไปเหมือนน้ำในสระใหญ่ความทุกข์ของพระโสดาบันก็เหมือนน้ำที่ติดไปหญ่าอยู่ เมื่อบุคคลนำใบหญ้าไปจุ่มลงในสระแล้วดึงขึ้นมาหรือเหมือนฝุ่นที่ปลายเล็บกับฝุ่นในแผ่นดินพระพุทธองค์ทรงสรุปลงว่าการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์ใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมาจากสุมีประโยชน์มากอย่างนี้จากพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัต์พระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า311สิถึง ข้อ162สถึงห6 8รสำหรับพระอาหารหันต์นั้นจะไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยมีแต่ความสุขุ้นล้วนความทุกข์หล่นไปจากจิตของท่านไม่ติดอยู่ในจิตของท่านเหมือนน้ำกลิ้งหล่นไปจากใบบัวไม่ติดใบบัวฉะนั้นจึงเป็นสภาพชีวิตที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ บุคคลสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตนี้พุทธบริษัทไม่ควรดูหมิ่นตนเองในเรื่องนี้อัตานางนาติวเตยะควรตั้งใจขวนขวายพยายามอบรมฝึกฝนตนเพื่อนิพพานในชีวิตนี้ทีเดียวแม้ไม่ได้จริงๆก็ยังเป็นทุนไว้สำหรับชีวิตหน้าชีวิตเกิดมาไม่ศูญย์เปล่า ยังจะช่วยย่นสังสารวัตรให้สั้นเข้าไม่ต้องทนทุกข์ในสังสารวัตรอันยาวนานท่านพุทธทาสพิกขุได้เขียนไว้ในเรื่องตามรอยพระอรหันต์ตอนหนึ่งว่าชีวิตแห่งความเป็นพระอรหันต์จะหักกงล้อให้หยุดหมุนเฉพาะคนถ้ามีมากคนก็อาจหักงล้อของโลกได้โลกจะสงบมนุษย์จะไม่ต้องเหนื่อยมากและบอบช้ำ ด้วยการหมุนติดตามโลกซึ่งหมุนไปด้วยอำนาจแห่งความอยากสิ่งทั้งหลายจักเยือกเย็นแต่มนุษย์ผู้ไม่เป็นไทยแก่ตัวพระตกอยู่ใต้อำนาจความยั่วยวนของโลกมนุษย์ผู้อยากได้ก็แล่นตามจนกว่าจะมีพระอาหารหันต์มาเรียกให้เขาหยุดฟังคำชี้แจงจนทราบถึงเหตุผลของการที่ไม่ควรวิ่งเขาจึงจะไม่ออกวิ่งต่อไป พระอรหันต์จึงเป็นบุคคลจําพวกเดียวเท่านั้นที่โลกต้องการเพื่อประสัทความสุขสงบให้แก่โลกนอกนั้นก็คือพวกที่จะวิ่งตามโลกและช่วยเป็นกําลังให้โลกหมุนเร็วยิ่งขึ้นจึงเป็นโชคดีแก่โลกอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกจากหนังสือตามรอยพระอาหารหันต์ในช่วงคําปรารบหน้าห้า ฉบับพิมพ์พศ2529